มีเพื่อนส่งบทความที่น่าสนใจชิ้นหนึ่งมาให้อ่านเขียนโดยพระชาวเยอรมันชื่อท่านอนาลโยอท่านนี้ท่านเป็นพระนักวิชาการที่มีความรู้ดีมากเกี่ยวกับพระไตรปิฎกแล้วก็รวมทั้งคัำพีชั้นหลังๆเช่นอธกถาพระไตรปิฎกท่านก็อ่านได้หลายภาษานะทั้งบาลีภาษาจีนนะก็ทําให้ เทียบเคียงและเห็นความแตกต่างเอาบดความที่ท่านเขียนนะล่าสุดก็คือเรื่องกรรมกับการเกิดมาเป็นผู้หญิงน่าสนใจมากนะอันนี้คือท่านพูดว่ามันมีความเชื่อที่แพร่หลายในหมู่ชาวพุทธโดยเพาะในปัจจุบันนะว่าการเกิดมาเป็นผู้หญิงเนี่ยในชาตินี้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าทำกรรมไม่ดีในชาติที่แล้วมา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 ถือว่ามีความสำคัญเป็นอันดับสองรองจากพระไตรปิฎกในคัมภีร์ตักกถาก็จะมีข้อความที่พูดถึงเรื่องนี้ไว้เยอะแต่ว่าไม่มีที่มาในพระไตรปิฎกเช่นคัมภีร์ตักกถาธรรมบทนะธรรมบทนี่ก็เป็นในเป็นคัมภีร์ในพระไตรปิฎกแต่ว่ามีอริกถาขยายความก็บอกว่าเนี่ยอ่า ใครผู้ชายเนี่ยที่ไปผิดรูปผิดเมียคนอื่นเนี่ยนะเมื่อตายไปแล้วนอกจากจะตกนรกแล้วยังต้องมาเกิดใหม่ถ้าเกิดใหม่นะมาเป็นมนุษย์ก็ต้องเกิดมาเป็นผู้หญิงอยู่ร้อยชาตินะมันก็เลยมีความเชื่อว่าเนี่ยที่เป็นผู้หญิงทุกวันนี้เนี่ยที่เห็นเนกันอยู่เนี่ยเพราะว่าไปอทํ า, ามไม่ดีในชาติที่แล้วเช่นผิดผิดรูปผิดเมียเข้ามาเนะ่ยก็มีความเชื่อแบบนี้ในหมู่ผู้หญิงนะชาวพุทธอ่อ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 พูดว่าดีไม่ดีอย่างไรนะแต่ว่าพอมาเป็นคำพิธากถาแล้วเนี่ยก็จะพูดว่าเนี่ยเป็นผู้หญิงมันไม่ดีอย่างนูน้นไม่ดีอย่างนี้นะโดยเพราะเกิดจากการกระทาคือกรรมที่ไม่ดีในอดีตท่านยังไป่ชี่ว่าเนี่ยในคำพีอยเช่นจุลกรรมวิพังนะซึ่งพูดถึงว่าอา น, นิสงส์งของกรรมดีและกรรมชั่วก็ไม่มีเรื่องแบบนี้นะเช่นท่านแจกแจงว่าถ้าฆ่าคน นะชาติต่อไปก็จะอายุสั้นถ้าไปทำร้ายเขาชาติน่าก็จะเจ็บป่วยถ้าเป็นคนขี้โกรธนะชาติน่าก็จะผิวพรรณวันณะไม่ผ่องใสถ้าชอบดูถูกคนชาติน่าก็จะเกิดมาต่าต้อยแม้กระทั่งผู้ว่านี่ถ้าไม่ชอบตั้งคำถามนะชาติน่าจะโง่ อ, อันนี้ น, น่าคิดนะ ถ้าคนนี้ไม่ชอบถามนี่นะไม่ชอบถามท่านผูรุนิชาตหน้าจะโง่นะ น, นักนักเรียนที่ไม่ถามครูนี่ชาติน้าก็โง่เหมือนกันนะคือท่านก็แจกแจงมาหลายข้อแต่ไม่มีข้อไหนบอกว่าอาถ้าไปผิดลูกผิดเมียใครชาติน่าจะเกิดมาเป็นผู้หญิงนะอันนี้ไม่มีมันเพิ่งมีในคัมภีร์ชั้นหลังแล้วท่านก็ยังยกคัมภีร์เก่าๆนะซึ่ง อาจจะมีในภาษาอื่นแต่ไม่มีในภาษาไทยแต่ว่ามันมีความโบราณมากเชื่อเป็นคำพีที่เราอาคมอาคมะอาคมะนี่ภาษาจีนนี่มีเยอะมากเลยเพราะว่าเขาแปลมาจากภาษาบาลีแล้วก็ภาษาจากคัมภีรเก่าๆในสมัยพุทธกาลหรือว่าสมัยหลังพุทธกาลใหม่ๆก็มีเรื่องของนางพิสุณีที่ชื่อว่าพัทธกาปิลาณีอันนี้ ท่านหนึ่งแล้วนะแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือพระนางยโสธรานางยโสธรานี้ก็เป็นมเหสีเจ้าชายสิทธัตถะนะและต่อหลังก็มาบวชก็เชื่อพทัทธ ก, กจัจจานะทั้งสองท่านนี้ก็เล่าประวัติของตัวเองนะว่าเคยมาเกิดในสมัยที่พระปัจเจกพุทธเจ้าชื่อปรทุมมตรุระพระปัจเจกพุทธเจ้านี่มีเยอะนะพระพุทธเจ้าก่อนหน้านั้นสมัย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 เพื่อจะได้เป็นพุทธิ์นี้เป็นพิษุตินีได้รู้ธรรมนะอันนี้ก็เป็นเป็นความเห็นที่มีในในหมู่ผู้รู้ชาวพุทธนะช่วงแรกแรกนะแต่ว่าพอมาถึงคำพีพอมาถึงนยุทอรถกถาแล้วเนี่ยความเห็นมันเปลี่ยนไปนะก็มีทัศนคติที่เป็นลบกับผู้หญิงมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ย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 ไม่ได้เรียนพระไตรปิฎกนะพวกที่จบประโยคเจ็ดแปดเก้าเนี่ยหรือว่าสี่ห้าหกเนี่ยไม่ได้เรียนคัมภีร์ที่เป็นต้นตอพระพุทธศาสนาแต่เรียนอนธิกถาเข้าใจว่าเพื่อจะได้ไปอ่านพระไตรปิฎกต่อไปแต่ส่วนใหญ่เรียนแล้วเนี่ยไม่กลับไปอ่านพระไตรปิฎกนะเพราะว่าเบือ่อนะเรียนเท่าไหร่ก็รู้เท่านั้นแหละก็เลยรู้แต่อธิกถาแต่ว่าไม่ได้กลับไปอ่าน พระไตรปิฎกก็เลยไม่รู้ว่าพระไตรปิฎกจริงเนี่ยท่านว่าอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยที่พระที่พระสอนเนี่ยส่วนใหญ่ก็ได้บิทธิพผลจากอัตถกถามากกว่าพระไตรปิฎกอันนี้ก็เป็นนะเป็นแง่คิดที่น่าพิจารณาก็ฝากเรื่องนี้เอาไว้นะเอาไปศึกษากันต่อไปอเตรียมรับพร